การรมท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาแล้าที่8มิถุนายนพุทธศักราช2545เป็นวันที่ท่านได้มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานในการทำมาหากินหาเงินหาทองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพของท่านแต่ท่านก็รู้ว่าเงินทองนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนอกเหนือจากเงินทองที่เราต้องอาศัยไว้ดูแล ร, รักษาอัตภาพชีวิตร่างกายของเราแล้ว <c oughs> เรายัางต้องมีที่พึ่งทางใจด้วยเพราะคนเรานั้นประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกัน คือมีทั้งกายและมีทั้งใจกายก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่จะต้องอาศัยเอาเงินทองนี้เป็นเครื่องแรกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มาซึ่งอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนึ่งหงถ้ามีปัจจัยสี่ครบสมบูรณ์การอยู่เป็นปกติสุขของร่างกายย่อมเป็นไปได้ด้วยดี แต่ถ้าขาดปัจจัยสี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งไปการอยู่เป็นปกติของร่างกายย่อมเป็นไปได้ด้วยความยากเย็นด้วยความลำบากดังนั้นเราถึงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของเรา <c oughs> ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเรานั้นทุ่มเทไปการทำมาหากิน เพื่อที่เราจะได้มาซื้อข้าวของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือให้มีปัจจัยสีครบบริบูรณ์นั่นเองแต่นี่เป็นเึงเครื่องเดียวของการดูแลรักษาตัวเราเพราะนอกจากร่างกายแล้วเรายังมีใจมีจิตใจที่ต้องดูแลด้วย และจิตใจนี้ต่างกับร่างกายสิ่งที่จะต้องดูแลร่างกายนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่ไว้ใช้สำหรับดูแลร่างกายสิ่งที่จะต้องใช้ดูแลจิตใจนั้นเราเรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งของใจได้ถ้ามีบุญมีกุศลแล้วจิตใจจะมีความปกติสุขจะมีความออ่มมีความสบายใจ แต่ถ้าใจิตใจขาดบุญขาดกุศลแล้วใจิตใจก็จะมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความทุกข์ใจความกังวลใจความไม่สบายอกไม่สบายใจด้วยเหตุต่างๆนานับประการด้วยกันแต่ถ้าเราพยายามดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำบุญอย่างสม่าเสมอแล้วใจของเราก็จะ มีมีมีเครื่องดูแลรักษาให้ใจอยู่ได้เป็นปกติสุขดังนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นที่ในวันเวลาที่ท่านว่างเว้นจากภารกิจการงานการทํามากินท่านก็ต้องมาวัดเพื่อที่จะมาแสวงบุญมาทำบุญกันนั่นเองและการทำบุญนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ มีวิธีการเดียวอย่างเช่นการให้ทานการให้ทานนี้ก็เป็นหนึ่งในการทำบุญบุญนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันเปรียบเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานอาหารที่รับเรารับประทานเข้าไปในร่างกายก็มีหลายรูปแบบด้วยกันมีทั้งข้าวมีทั้งผักมีทั้ง <c oughs> ผลไม้มีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งน้ำมีทั้ง ขนมหวานต่างๆเหล่านี้อาหารหรือบุญของใจอาหารของใจคือบุญก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันส่วนใหญ่ที่เราจะรู้จักกันก็คือการทำบุญให้ทานคือการให้ทานนี้เราเรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเรามักจะได้ยินคำพูดติดต่อกันเสมอว่าทำบุญให้ทาน แล้วเราก็ไปแยกความเข้าใจว่าการทําบุญนั้นเป็นการถวายของให้กับพระส่วนการให้เข้าวของกับญาติโยมด้วยกันเรียกว่าเป็นการทําทานแต่ทางที่ถูกแล้วเป็นทั้งบุญเป็นทั้งทานด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละคือคําว่าการทําทานก็คือการให้ให้สิ่งของของเราแก่บุคคลคนอื่นไม่ว่าจะเป็น เป็นพระหรือไม่ก็ตามเป็นคารวาสเป็นพระก็ก็ไปถือว่าเป็นทานเหมือนกันทานก็คือการให้อย่างที่วันนี้ท่านทั้งหลายนํากับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆมาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเป็นวัตถุทาน <c oughs> แล้วก็ทานนี้ก็เป็น เป็นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาเพราะบุญก็คือความสุขใจเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ยากลาบากให้เขาได้มีความสุขได้มีความสบายเขาเรามันก็ทำให้เราเกิดความสุขใจสบายใจขึ้นมาความสุขใจสบายใจนี้เรียกว่าบุญดังนั้นเวลาที่เราทำทานคือการให้นั้นเราก็ทำ เราก็สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดบุญตามขึ้นมาดังนั้นการให้ก็คือเหตุส่วนบุญก็คือผลที่จะตามมาจากการให้ดังนั้นการให้ไม่ไม่ได้เลือกว่าจะต้องให้กับพระถึงจะเป็นบุญให้กับบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งเดราฉานเช่นนกปลานั้นไม่เป็นบุญไม่ใช่ความหมายแล้วเป็นบุญด้วยกันทั้งนั้น เพราะเวลาเราได้ช่วยเหลือใครก็ตามแม้กระทั่งพวกเดรัจฉานเวลาเราไปให้อาหารกับเขาเราก็เกิดมีความรู้สึกมีความรู้สึกสุขใจสบายใจนั่นแหละคือบุญการทำบุญจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำกับผู้ที่บวชเป็นผู้ที่มีศีลเท่านั้นถึงจะได้บุญการทำบุญนั้นทำกับใครก็ได้ ข้อสาคัญอยู่ที่ใจของเราว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซนต์ก็เป็นบุญร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทำไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจคือยังมีความปราทถนาอามิตสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราไปให้ของกับเขาอย่างนี้เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ใจ เช่นเวลาเราจะให้ของใครบางครั้งเรายังต้องการให้เขามีความสำนึกในบุญคุณหรือว่าเราต้องการให้เขากล่าวคำขอบอกขอบใจหรือเราต้องการให้เขาเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเวลาเราบอกเราสอนเราสั่งอะไรเขาเราก็อยากจะให้เขาทําตามคำสั่งคำสอนเราเราจึงให้ของเขาไปเพื่อเป็นเครื่อง รอใจถ้าอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นการค้าขายมากกว่าเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเรายื่นหมูให้เขาเขาก็ยื่นแมวกลับมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญถ้าเราทำบุญแบบนี้แล้วใจของเราอาจจะไม่ได้รับบุญเต็มที่เพราะใจของเรารอการตอบสนองของผู้ที่เรา ให้ของเขาถ้าเกิดเขาไม่ตอบสนองตามความต้องการของเราแทนที่เราจะเกิดความสุขขึ้นมาเราก็กลับเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่พอใจเกิดความเสียใจขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเราทำบุญไม่ถูกคือเราไม่เราไม่ได้ทำบุญนั่นเองเรากำลังทำการแลกเปลี่ยนหรือค้าขาย อย่างนีนน้สิ่งหนึ่งตอกับอีกสิ่งหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราปรารถนาความสุขที่ที่เป็นบุญจริงๆเราต้องไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนอะไรจากผู้ที่เราให้สิ่งของนั้นไปเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธะอันใดผูกพันติดไว้กับการให้ของเราเลยถ้าให้แบบนี้แล้ว เราจะมีความสุขใจเพราะว่าเราไม่ไม่หวังอะไรจากคนที่เราให้เขาจะขอบอกขอบใจเราหรือไม่เขาจะแสดงกิริยาการเคารวเราหรือไม่ก็ไม่สําคัญอะไรเพราะเราพิจารณาเห็นแล้วว่าการให้เขานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเขาเดือดร้อนเขาเขามีความทุกข์เขามีความ ลำบากเราก็อยากที่จะสงเคราะห์เขาอยากจะช่วยเขาให้เขาได้มีความสุขบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการให้ทานคือเราต้องการให้เขามีความสุขถ้าเราให้เขาไปแล้วถ้าเขาด่าเรากลับมาเป็นความสุขของเขาเราก็ยินดีให้เขาด่าไปเพราะว่าหลักของการให้ก็คือเราต้องการที่จะให้เขา มีความสุขนั่นเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วสแสดงว่าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งไม่ได้หวงอะไรจากการให้ของเราเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าให้แบบนี้แล้วเราจะมีความสุขบ้างแต่พวกเราส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ได้ให้แบบนี้กันเวลาเราให้อะไรเรามักอยากจะให้คนที่เราให้นั้นเขาตอบสนอง กับเราในทางที่ดีถ้าเขาไม่ตอบสนองในทางที่ดีเราก็เกิดความเสียใจอย่างนี้เราเรียกว่าไม่ใช่เป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการทำบาปก็ว่าได้เพราะเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความอยากตันหาคืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะให้เขาปฏิบัติกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ปฏิบัติกับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละความทุกข์ก็คือผลของบาสนั่นเองบาปก็คือความอยากความต้องการต่างๆดังนั้นเวลาเราทำบุญขอให้เราจงยึดหลักการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับ แล้วการให้ของเรานั้นจะเป็นการให้ที่พร้อมสมบูรณ์ด้วยบุญที่ที่ที่แท้จริงคือถ้าเราให้แบบนี้แล้วใจของเราจะมีความสุขไม่ว่า <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เราไปให้สิ่งของกับเขาถ้าเขาแสดงกิริยาการที่ไม่น่าดูแสดงความไม่มีความสำนึกในบุญคุณ มันก็เป็นเรื่องของเขามันก็เป็นกรรมของเขาแสดงว่าเขายังเป็นคนที่ต้องพัฒนาตัวเองอีกมากยังต้องใช้เวรใช้กรรมอีกมากอยู่แต่ถ้าเขาเป็นคนที่สำนึกในบุญคุณเขาพยายามทำตัวของเขาให้ดีพยายามประพฤติตัวเองไม่ให้เสื่อมเสียพยายามทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มันก็เป็น บุญเป็นกุศลของเขาอีกนันแหละเทีย <c> ง <oughs> แต่ว่าเราเป็นผู้ที่มีชวน <c oughs> มีส่วนที่ได้ช่วยสนับสนุนให้เขาได้ประกอบทำคุณงามความดีเราก็ได้บุญสองต่อคือบุญบุญบุญต่อแรกก็คือเราได้ช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาแต่เมื่อเขานำสิ่งที่เราให้เขาไป ใช้ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกมันก็ทำให้เรามีความสุขใจเพิ่มขึ้นไปอีกที่เห็นว่าเราได้ช่วยสนับสนุนคนดี <c oughs> อย่างเวลาที่ศรัทธาญาติโยมมาทำบุญกับพระที่วัดญาติโยมจะมีความรู้สึกว่าจะมีความสุขมากกว่าที่ไปทำไปทำบุญให้ทานกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระนั่นก็เป็นเพราะว่า บุคคลที่เราไปช่วยที่ไม่ใช่เป็นพระนี้เขาก็ยังเป็นคนที่ไม่มีศีลหรือไม่หรือยังไม่ได้พัฒนาตัวเองของเขาให้ดีเท่ากับพระเมื่อเราไปช่วยเหลือเขาเขาก็ยังอาจจะไปประพฤติตนในทางที่ไม่ดีไม่ชอบได้ถ้าเราได้ยินหรือเห็นในทางความประพฤติของเขาก็ทำให้เร า, าเกิดมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ แต่ถ้าเราได้ไปทำบุญกับพระพระที่เป็นพระจริงๆหมายถึงท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีศีลไม่ด่างพร้อยเวลาเราเห็นท่านแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกที่มีความสบายอกสบายใจเห็นท่านประพฤติตนในในทางที่ดีที่งามทำตนให้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุขใจ แม้กระทั่งเวลาผ่านไปแล้วทุกครั้งที่เรานึกถึงการที่เราได้ทำบุญกับท่านแล้วึกแล้วนึกถึงท่านมันก็ทำให้เราเกิดมีความสุขใจแล้วยังทำให้เราเกิดมีความกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำบุญให้มากยิ่ ง, งขึ้นไปอีกนี่แหละคือเรื่องของการทาบุญที่จะให้ได้บุญเต็มที่มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเองว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนถ้าใจของเรา <c oughs> มีความบริสุทธิ์มากเราก็จะมีความสุขมากถ้าใจของเรายังมีความอยากมีอา ม, มิตรความต้องการในสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญกับเขาเราก็อาจจะประสบกับความไม่สบายใจขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราไม่ได้รับตอบสนองตามดังที่เราต้องการ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีทำบุญให้เกิดเป็นบุญที่ครบถ้วนร้อยเปอร์เซน์ก็ขอให้เราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เขาไปแล้วเขาจะไปทำอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาของที่เราให้ไปนั้นไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเป็นของของเขาไปแล้วเมื่อเป็นของของเขาเขาก็มีสิทธิเต็มที่ ที่เขาจะทำอะไรกับสิ่งของเหล่านั้นก็ได้ถ้าเขานำเอาไปทำเป็นคุณเป็นประโยชน์มันก็ดีถ้าเขาเอานาไปทำให้เกิดเป็นโทษขึ้นมามันก็เป็นโทษกับเขามันไม่ได้มาเกิดเป็นโทษกับเราแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเอาใจของเราไปคอยกังวลไปคอยห่วงว่าสิ่งที่เราให้เขาไปนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรอย่างไรดีหรือไม่ ก็ทำให้เราเกิดมีความกังวลใจไม่ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจยิ่งถ้าได้ยินว่าเขานำไปทำในทางที่เสื่อมเสีย<ม>ก็ทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาเสียกว่าบุญที่เราทำไปนั้นเป็นบุญหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าเวลาที่เราทำบุญละทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นไม่ว่าเราจะทำกับใคร แล้วเขาจะเอาไปทําอะไรต่อไปนั้นก็มันก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นเองเพราะบุญนี้คือการเอาชนะใจของเราชนะสิ่งที่ต่ําสิ่งที่คอยฉุดลากให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความไม่สบายใจก็คือความตเหนี่ความโลภความเห็นแก่ตัวเวลาที่เราได้ให้ให้ทานแล้ว เราได้ชนะความโลภหนึ่งเราได้ชนะความตนีเราได้ชนะความเห็นแก่ตัวนี่แหละคือคือผลที่เราได้เป็นบุญแล้วบุญนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเราได้ชนะสิ่งที่ไม่ดีเราได้ชำระขัดเกลาใจของเราให้สะอาดขึ้นเมื่อเราได้ชำระขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้เบาบางลงไปก็ทำให้ใจของเรา มีความสุขขึ้นมาสาเหตุของความไม่สบายใจก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภมีความตณีมีความเห็นแก่ตัวเป็นต้นนั่นเองถ้าเราชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจแล้วมันก็ทำให้ใจของเรามีความสุขความสุขนี่ก็คือบุญนั่นเองดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจทุกครั้งเวลา ที่เราทำบุญให้ฐานว่าเราทำเพื่อชำระเครื่องเศร้าหมองที่มีอยู่ภายในใจของเราโดยอาศัยความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสได้กระทำบุญถ้าไม่มีคนเดือดร้อนถ้าทุกคนมีแต่ความสุขความสบายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำบุญไปช่วยเหลือใครได้อย่างไรดังนั้นเราต้อง เห็นคุณของคนที่เขาเดือดร้อนเห็นคุณที่ยังมีคนที่เป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสทำบุญหรือเราจะมองว่าถ้าเขาเป็นคนไม่เดือดร้อนแต่เขาเป็นคนดีเราอยากจะสนับสนุนในการประพฤติ ท, ที่ดีของเขาอย่างเวลาที่เราสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการ ได้มีโอกาสได้ทำบุญเช่นกันคือได้ช่วยส่งเสริมให้คนเขาได้ประกอบคุณงามความดีดังนั้นเวลาที่เราทาบุญเราจึงต้องเลือกคนเหมือนกันเพราะคนนั้นมีคุณภาพไม่เหมือนกันคนดีมากๆก็มีคนเลวมากๆก็มีคนที่เป็นคนที่ครึ่งดีครึ่งเลวก็มีด้วยกันนะเวลาที่เรา ทำบุญเลือสนับสนุนช่วยเหลือคนดีก็เท่ากับช่วยส่งเสริมให้คนดีเขาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปถ้าเราไปช่วยเหลือคนเลวไปสนับสนุนคนเลวก็เท่ากับการสนับสนุนให้คนเลวนั้นเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมดังนั้นเวลาที่เราจะทำบุญให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นเต็มที่ เราก็ต้องเลือกทำบุญกับคนที่ดีมากๆที่สุดในโลกนี้พระพุทธองทรงเปรียบเทียบว่าบุคคลที่มีความดีมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระปเจ ก, กับพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอาหารหันต์และพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงบุคคลธรรมดาที่รักษาศีล คือมีสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจดข้อลองลงมาก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนมีสินน้อยหน่อยมีสินที่ขาดตกบกพร่องแล้วหลังจากนั้นลงต่อลงไปก็กลายเป็นคนไม่ดีไปถ้าเราจะทำบุญให้ได้เกิดประโยชน์มากมากเราก็ต้องทำกับพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่สามารถทำกับพระพุทธเจ้าได้ ุ้าพเจ้าก็บอกว่าให้ทากับสงอย่างที่ท่านทั้งหลายมาถวายสังฆทานการถวายสังฆทานนี้ก็คือการทำบุญให้ทานกับสงสงนี้หมายถึงพระภิกษุที่อยู่รวมกันในอาวาสใดอาวาสหนึ่งคือไม่ได้ถวายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ได้ถวายให้กับพระภิกษุ ร, รูปหนึ่งรูปใด แต่ถวายให้เป็นสมบัติส่วนกลางของพระสงฆ์ของของวัดของศาสนาเพราะว่าศาสนานี้จะเจริญได้ก็ต้องอาศาัยพระสงฆ์เป็นหลักเป็นผู้ที่ช่วยเอยแผ่พระศาสนาเวลาที่เราจะบวชพระพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดไม่สามารถ ทำพิธีบวชพระให้กับเราได้การที่จะบวชพระนี้จะต้องมีพระภิกษุสิทธิ์รูปขึ้นไปคือจะต้องมีสงค์นั่นเองถ้าไม่มีสง์ก็ไม่สามารถบวชได้สมมุติว่าถ้าโลกเรานี่เหลือพระอยู่เพียงรูปเดียวแล้วมีศรัทธาญาติโยมต้องการที่จะบวชก็ไม่สามารถบวชได้อีกแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดไวอ้อย่างนั้นเวลาจะบวชพระนี้ จะต้องมีพระภิกษุสิบรูปขึ้นไปถ้าอยู่ในที่ที่เจริญที่มีพระมากก็ต้องใช้สิบรูปแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่กันดารที่ห่างไกลจากพระหาได้ก็อนุโลมให้หาได้เพียงห้ารูปก็บวชได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นความสำคัญของการท่องนู่นบำนสงคือ เน้ให้ให้ให้สนับสนุนสง์มากกว่าสนับสนุนพระรูปหนึ่งรูปใดเพราะว่าสงนั้นจะทําประโยชน์ให้กับศาสนาให้กับโลกได้มากกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดดังนั้นญาติโยมเวลาที่มาที่วัดจึงมักจะนิยมถวายสังฆทานกันคำว่าสังฆทานก็คือทานที่ถวายให้กับสง สงฆ์นี้ต้องมีพระภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นสงฆ์ได้และของที่ถวายนั้นก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดต้องเป็นของพระภิกษุทุกรูปนั่นแหละคือเจ ต, ตนาลมก็คือมีให้เอามาแบ่งกันมีอะไรก็มีให้เอามาแบ่งกันเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุก ถ้าคนหนึ่งมีมากอีกคนหนึ่งมีน้อยคนที่มีน้อยก็จะอยู่ได้ด้วยความยากลาบากคนที่มีอยู่มากก็อยู่ได้ด้วยความสบายก็ไม่มีความสม่าเสมอกันคนที่อยู่ยากอยู่ลาบากก็อาจจะทนอยู่ไม่ได้ก็อาจจะต้องลาสิกขาไปก็ได้ดังนั้นถ้าเราเวลาเราดูแลทานุบำรุงพระพุทธศาสนาเราจึงควรทานุบารุงสงทั้งหมดพระุทธสูตทุกรูป ไม่จำไม่สำคัญว่าเราจะมีของมากน้อยแค่ไหนเรามีเท่าไหร่เราก็ทำไปตามกำลังของเราเราก็ถวายไปเพียงแต่ว่าถวายให้เป็นส่วนกลางของสงไปอย่างเวลาที่ท่านถวายปัใจจัยให้กับทางวัดก็ไม่ได้ถวายให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่ถวายให้กับกองกลางสงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเช่นไม้กวาดหรือว่าผงซักฟอกของสิ่งที่จะต้องมาใช้ดูแลทำความสะอาดกุฏิวิหารศาลาอย่างนี้เราก็เอาปัจจัยที่ญาติโยมถวายเป็นกองกลาสงสงฆ์นี้มาซื้อของมาใช้ได้แต่ถ้าจะเอาไปใช้ส่วนตัวนั้น ย่อมทำ ไ, ได้เพราะของนี้ถวายไว้สําหรับส่วนกลางเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าใครต้องการอะไรแล้วมาขอเบิกไปใช้ส่วนตัวได้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นของส่วนกลาง <c oughs> เช่นถ้าต้องการอยากจะสูบบุหรี่อยากจะซื้อขนมมาฉันก็ขอมาเบิกเงินกองกลางอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่าเรา เอาเงนนี้ไปใช้ส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสังฆทานเจตนาโลภของสังฆทานก็คือเพื่อทํานุบํารุงศาสนาบำรุงบำรุงส่วนรวมของสงฆ์นั่นเองเพราะถ้าศาสนามีสงฆ์อยู่แล้วก็จะมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการบรรลุธรรมหลังจากการบรรลุธรรมแล้วก็จะมีการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนญาติโยม ที่ไม่รู้จักเรื่องราวของทางศาสนาไม่รู้จักเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีคนคอยสั่งคอยสอนอย่างนี้เมื่อคนที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังขึ้นมาเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจก็สามารถนำสิ่งที่ดีที่งามคือธรรมะครามสอนของพระพุทธเจ้าม้นเอาไป เพิ่มปฏิบัติกับตัวของเขา